ไปไหนหน่งแน่นน่อยรูปนึ ง, get, น version, ปงไปไหนเ น, นรูปหนึงไปไหนหหน้าไปทางนี้หันหน้าทางนี้ทำในลีขนหน้าทางนี้หนหน้าทางนี้หันหน้าปไนเออนั่ง ด, ดีนั่งฟัง อ, อ่อย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าหันหลังใสผู้ฟังหัหลังใสผู้พู ด, พดมค่อยดีหหน้ากันจังหน่อยเนาะ เป็นสิ่งที่น่าอนุนานพวกเราที่ออกจากเรือนมาอยู่ร่ำด้วยกันร่วมกันตอนก็มีนาทีทองทุกคนที่จะสร้าง ชีวิตเราในหลายด้านเมื่อพวกเร า, าอยู่ในวร า, า, าระลมอาชีพปันนึ่งก็มีที่จะให้เป็นหลักเป็นแหล่งเกี่ยวกับฐานะของเราไม่มีมีแต่อาชีพของการปฏิบัติธรรมก็น้อยคนที่จะ สนใจอาชีพอันนี้จึงหน้าอันโมทนาอาน้อยก็เราเราก็ได้ยินได้ฟังไว้คำสอนพระพุทธเจ้าแม่นานมา 2,550 ปีแล้ว mm hmm. ก็ยังมีผู้กล่าวผู้แสดงอยู่เรื่องธรรมะ ยังมีผู้ฟังอยู่ยังปฏิบัติตามอยู่มากเกินคำสอนหลวงพุทธเจ้าเลยพองกล่าวไว้ทั้งหมดสอนไว้ทั้งหมดอะไรที่เป็นของเพื่อเกื้อกูลแกสาวกทั้งหลายหลวพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนทั้งหมดแล้วไม่มีตอนไหนที่ขาดตัวบุกคง เราเอามาสาธยายสวดมววนต์เช้าสวดมนต์เย็นเป็นเพียงน้อยนิดทเท่านั้นเองอนเดินไม่มากเี๋ยวเกินแต่ว่าก็ผู้ร้อยกลองเอามาสวดเอามาเรียนเนี่ยสวดมนต์สาธิพิธีต่างๆกิจวัดพิธีวัดต่างๆและก็มีการศึกษา เรียนฝากปริยัตเป็นส่วนน้อยๆถ้าส่วนอีกมากๆน่อมีมากเกินแนม่ทรมาวินยัยเที่ยวมาเรียนเนี่ยอยากวินัยนี่ก็สอง7ันสองร้อยยี่บเจ็ดข้อถ้าส่วนไอ้ส่วนข้อวัดปฏิบัติอื่นๆที่ทำไมเสียหายแก พระสงฆ์เนี่ยมีเป็นหมื่นๆแสนๆไม่ได้มาในพระติโมกเอาเฉพาะที่มาในพระติโม์สองร้อยี่โมบเจ็ดข้อเนี่ยน้อยนิดเดียวแต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่พวกเราได้สนใจภาคปฏิบัติอาจจะไม่มากถึงทุกศีราบทก็ได้ หรือเบบพื่อเิมองบาจันเนี่ยก็ต้องจำเอามาทั้งหมดก็ได้มาเอาสิ่งย่อๆที่เป็นจริงน้อยๆเป็นจริงมากๆได้สรุปได้ขยายได้ย่อลองได้คือปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมนี่จะพูดถึงสูตรของการปฏิบัติธรรมจริงๆก็ไม่มาก เล่าไม่ถึงยี่สิบนาทีถ้าพูดถึงอารมก็ก็มการทานเนี่ก็จบแล้วแต่มันก็ไม่มีรสชาติเล่านิทานใีงกันฟังเฉยๆแต่สิ่งที่มีรสชาติเน่เราประสบการณ์ผู้พูดก็เคยประสบการณ์ผู้ปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ยินมามีประสบการณ์มาก็หลายเรื่องเอาเรื่องที่ ประสบการณ์เอาเรื่องที่เดินทางผ่านมาเล่าให้กันฟังเพื่อเป็นจักขีพยานเช่นท่านง่วงนอนพระพุทธเจ้าเคยง่วงนอนเหมือนกันท่านเคยมีลาคะพะุทธเจ้าเคยมีลาคะเหมือนกันยังไม่เป็นพพุทธเจ้านะศีรษะตอนเนี้ความ ก, ก่อโกโลกความหลงศีรษะสมัยออกบวชก็มีเหมือนกัน ท่านใครลังเลสงสัยพระศีรถ ก, ก็มีเหมือนกันท่านใครพยาบาทอะไรต่างๆศีรษะก็มีเหมือนกันเมื่อศึกษาแล้วมันมีเหมือนกันเนี่ยน่าภูมิใจเอาเป็นกัลยาณมิตรเอาเป็นกัลยาณธรรมมาสอนตัวเองได้เราก็เหมือนกัน เขาก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเราไม่ใช่เราดีคนเดียวคนอื่นดีก็มีไม่ใช่เราผิดคนเดียวคนอื่นผิดก็มีไม่ใช่เราถูกคนเดียวคนอื่นถูกก็มีไม่ใช่เราทุกคนเดียวคนอื่นทุกก็มีไม่ใช่คนอื่นสุขคนเดียวคนอื่นสุขก็มีเหมือนกันริงไม่มีอะไรน่าแปลกชีวิตของคนเหล่านี้ที่เหมือนกันก็คือกายกับใจของเราเน่ กายกับใจของเราเนี่ยเหมือนกันอย่จะเป็นคนชาติใดภาษาใดเพศใดวัแบบใดเหมือนกันมีกายกับใจอารมกรรถฐานมาเห็นกายเห็นใจเห็นเป็นรูปเป็นนามงั้นแตกแขนงนั่นก็มีมากเรื่องของกายก็มีมากเรื่องของใจก็มีมาก เออต่างๆมากเายการมีในกรณีที่มันเกิดขึ้นกับเรามันมีบางโอกาสบางทีก็เกิดขึ้นกเราบางทีก็ไม่เกิดขึ้นเกิดกับคนอื่นแต่ว่าเราจะฉลาดถดงอ g ่ตรงนี้ต้องเองการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราฉลาดตรงที่มีปัญหามันก็เป็นการศึกษาทั้งนั้น เราไม่เฉลาดในช่วงที่มีปัญหาเราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรแม้จะท่องจํามามากเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์มันนี้เรามาเจริญสติมาศึกษาแล้วตัวศึกษาและตัวสวตวสวิเป็นตัวที่หลักเขตหลักผลอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นภาวะที่รู้สึกตัวภาวะที่รู้สึกตัวมีส่วนประกอบที่แสดงออก ในความรู้สึกตัวต่อกายต่อจิตของเราจิตของเราก็จะแรงออกทุกโอกาสเพื่อนไว้ทุกเวลาได้เราจึงมีเติเข้าไปแต่ไม่เรื่องตา่างๆลงตัวไม่ยืนเยอะไม่ไปไกลให้ไปไกลอยู่ในสายตา ของสติอยู่ในสายตาเช่นตาเราเน่ยการดูแลสิ่งของก็อยู่ในสายตาเรามันก็ไม่เสียหายสติเนี่ยเป็นตาโลอบหน้าลอบสายใจเราไม่เสียหายถ้าเรามีสตินะจะเป็นปนัญหาอะไรก็ตามแต่คนเราไปเคยได้ยินคําสอนเท่าไหร่พอเรามาอยู่กับหลวงปู่เทียน งาปฏิบัติเนี่ยโอ้ได้ประสบการณ์ได้บทเรียนจากตัวเองเยอะแยะต่กกรก็มีเหมือนกันประสบการณ์เหมือนกันแต่ประสบการณ์แบบข่มเกลือแบบกบเกลื่อนแทนที่เฉลาดไม่เฉลาดเอามาลงโทษตัวเองเพิ่มความทุกข์น่แนถ้าจะว่าแล้วก็มีทุกรดทุกชาติคนอื่นจะไม่มีอาจจะไม่มีทุกรดทุกชาติ แต่สำหลับตัวหลงพ่อเองเนะี่ยมีเครือบทุกรดทุกชาติอันชื่อว่าความทุกขนะ์น่ยมันก็ไม่เหลายวใจตีแต่มันก็อดทนอดทนไม่ยอมแพ้ความทุกข์ทุกไม่มีเสื้อผ้าก็มีทุกไม่มีข้าวจะกินก็มีทุกไม่มีที่อยู่อาศัยก็มีทุกพระรังบากก่งหลังสโซฟาหน้าสู้ดินก็มี พิงกันแต่ไม่ฉลาดนะไม่ฉลาดแต่ทำให้เราเข่มแข็งได้นะไวจินข้าวไปทำนาทุกวันก็เอาข้าวไปเองเพราะนออ้องน้อยเราไปทำนาคนเดียวเป่นคือบาแม่ก็หนึ่งข้าวใส่กล่องเอา อาหารใส่ไปขึ้นขี่หรังป่วยไปแสนนาไม่มีใครไปส่งข้าวน้องก็น้อยเรียนหนังสืออยู่้ก็เป็นแต่ว่าน่าหนักไม่มีใครเติมขึ้นว่าสายแล้วแม่ก็เงียบไม่มีใครกองข้าวไม่ได้ถ้าเราจะรอกองข้าวของแกสายก็เราขี่ควายไปแสนะา พอไปไถนาคิดว่าแม่หรือน้องจะไปไปส่งหรือฝากใครไปก็ได้นาใกล้กันส่วนมากก็ฝากคนนาใกล้กันไปก็ไม่มีข้าวจิ้นทั้งวันเลย<ม>เหนื่อยก็เหนื่อยไ้นาก็ไถนาปั้นกันนาก็ปั้นกันนารอมองทางที่มาจากว่าไ ม, ม่ใครมา รอเช่ารอสายรอยบ่ายลอยเที่ยงไม่เห็นใครม า, าแล้วก็เหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงเคยมีไหมอมพล <c oughs> เคยมีไหมเรานุ่ดีนะนะข้ามาก็ขี่ควายเข้าบ้านพอเข้ามาบ้านนะเงียบเลยทั้งบ้านเหมือนไม่มีใครอยู่พอผูกควาผูกไวย้ยเตลิบ พ อ, วอกวัวคอกไายเสร็จแล้วขึ้นไปบนบ้านได้ยินเสียงแม่พูดอ้ามออ่าแม่ก็ข้าแม่ก็เอาแวนละหายินเอาเดอ้อแม่ลุกไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แม่ไม่สบายตั้งแต่เมื่อคืนนี้ลุกไม่ได้อ้าว <c oughs> ใจมันก็อ่อนลงโอ้ยนะ ไม่มีใครมีแต่เราเป็นผู้ใหญ่จะทำไงล่ะไปหาผลนำยาขอนำยาการเดินทางระหว่างบ้านเรือนเนี่ยไปตามถนนเนี่ยมันลำบากมันล่มเพราะถนนไม่มีลูกรังมันถึงวันนี้ไม่ได้เทคนทอนเสียบมันถึงวันนี้ต้องเดินลุยโคลนไปเพียงเข่าเพียงขาไป ว่าจะไปถึงบ้านหม อ, อยาก็ลุยนะ้ำไปถือขันดอกไม้ไปถือมอ้น้ำไปไปขอผลอยาเงินก็มีสักบาทตนนัวย้ยขอผลอยาไปแ ม, แม่คอยกินแม่แม่คอยบ่อสบายเราก็ไม่อยากลงมา <laughs> ไม่มีอไไปนั่งอยู่ไม่รู้จักแต่รู้จักก็บ้านเขา ไม่คุ้นเคยกับใครมเมือนมลูกผู้ใดลูกพู้นั้นผู้นี่เคยมีไหมมีนะไม่มีเสื้อผ้าอายุสิบเจ็ดปียังตาบผ้านุ่งนะตาบผ้ากางแกงนุ่งเลยมีใครบ้างที่อายุสิบเจ็ดปีเคยตาบผ้านุ่งไม่มีเลยทุกวันนะ่ะ อดอยากกับมาเงินนี่ยอย่าไปพูดถึงเครื่องนุ่งมต้องทําเอาวันไล่ฟันไล่ไฟโป้าฟป้หมอนเลี่ยงไหมช่วยแม่ทาผ้าจะลงผ้าไหมไหว้ก็เช้อหม้อห้อมเสื้อฟ้ายกพาม อ่าเข้าไหมนุ่งสโลงข้าคำ้าไหมรัดเตวไปงานวัดงานว่าสําหรับผู้หญิงก็ชิ้นมัดมีชิ้นไหมมัดมีผ้าไ้า้มัดมีมดมย่อมครางเสื้อก็ผ้าไหว่ย่อมคลามใส่กระดุมมะพร้าวกรดมพลาสติกทุกวันนี้ไม่มีหล้ว หาเงินหรือว่าเงินไม่มี ว, ว่าแหล่งเงินไม่มีวันทุกวันนี้มีทําเอาทุกปีทุกรถทุกชาติเลยนะแล้วมันก็ทําให้เราเข้มแข็งสู้ไม่อ่อนเลยแหมทุกวันนี้ก็ยังถ้าจะไปยอมมันเหรอไม่ได้หรอกทุกเนีมันโกรธก็อย่าไปยอมมันมันทุก ไล่เข็นใจขนาดไหนก็อย่าไปยอมมันเ้าะว่าทุกเนี่ยจำนี้จำนานมากมีคนเน้นทามีคนสรเสริญได้เสียจะเยอะไปเลยควายหกตัวได้ดูแรงปล่อยใครใครเขาก็ปล่อยควายไป ลงทุ่งนาไปตอนเย็นก็ไปลัดเอาแล้วก็ปล่อยเหมือนกันปล่อยกันตอนเย็นก็ไปลัดหาได้ไหนก็ไม่เจอวันนั้นก็ไม่เห็นควายสองวันตามไปหาไรเบาะแสไปเรื่อยไปเห็นแต่หัวเอาข่ากินหมดเลยหกตัวตามจับจนผู้ไล่ ก็ได้ติดคุกติดตารางไปหกตัวงหมดเลยหาควายชนาไม่มีเลยทุกไหมก็มีรสชาติเหมือนกันความทุกในการเสียหายของจำเป็นไปรสชาติของไม่มีควายชนาก็ลำบากเหมือนกันเพา่อนอย่าไปกลัวคำว่าทุกขนี มันอยู่ตรงไหนแต่แท้เมื่อมาปฏิบัติกำลองโพเทียนเนี่ยโอ้ยมันก็เป็นธรรมชาติเป็นโลกธรรมทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเกิดมาในโลกมันก็อยู่ในโลกธรรมคล่องงอยู่แต่เราก็เรียนเป็นสำเนนเรียนเรื่องโลกธรรมมามีได้มีเสียมีสุขมีทุกมีทสนเสริน เป็นคู่กันอยู่แต่เช่นนี้คนทั้งหลายยังยอมเราก็ยอมตั้งที่เราเรียนมาไม่รู้พราะมาปฏิบัติทำเนี่ยไม่ต้องรอให้มันเสียไปบัดนั่นหรอกมันเห็นเห็นโลกธรรมไม่ใช่เกิดจากเราเห็นคนอื่นเชิงอนก็มีที่มันเห็นอยู่ไม่ใช่ประสบแล้วจึงก็เห็น ยิ่งจะลบยิงจะนี้ไม่ใช่มันเห็นแล้วพบเห็นมาแล้ว <c oughs> ยังไม่ถึงเราเราก็เห็นแล้วเหมือนทุกวันเนี่ยคนโูกก่อนแล้วโลกเอตตั้งเกิดจากอะไรยเขาก็สอนแล้วสอนให้รู้จักป้องกันโลกมะเร็งเกิดจากอะไรเขาสอนเราป้องกันโลก อะไรต่างๆการวิทยาศาสตร์เขาแจงเขาสอนให้เราเราก็นำมาปฏิบัติแต่ก่อนมันไม่มีแม้แต่โรคตาแดงก็ไม่มียารักษาต้องเป่าเป่าก็ไม่ยากนะสับปะรดอมใบผักเป้นใช่ไหมเคยไหมเคยไหม <laughs> เอาใบผักเป้น รู้จักผักแปนไห ม, หมยมอย่่ี่ยวๆอะซาปาปจิโรเิาปาปาจโรเฉยมิสาปาปาจิโล่เฉยิซาปาทุกน า, นาหนาวกโยปจิตะ บ, บุเลติพุทธลงไปเลยเอาผักปนเผาขี้ตาก็หลุดไปเลยแล้ว <laughs> อันนี้นี้เขามีโปรคเคนมีวัคซีนต้องงานตาแดงต้องกันอะไรเยอะๆไปเลย ก็ดันเนียเราโชคดีเหลือเกินอยูน่นี่ยุคทองยุคทมแต่ก่อนไม่ไม่มีหรอกสำนักปฏิบัติมีใครที่มารับผิดชอบไม่มีเลยมีใครที่มาบวชเป็นคีเป็นพระเป็นเนนน้อยนียนยนยนย่ไม่มีบวชพระรูดดอนบวชเฉลิมพชนมันซาบวชเฉลิมพุเกียบบวชอะไรมีน้อยสมัยก่อน พีนันพวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีล่ะจะให้พลาดโอกาสจ้ามาอยู่ที่นี่ที่วัดป่าสุโกโ ต, โตนะก็เตรียมเพื่อการนีร่เลยตรงอ่ะเตรียมเพื่อจะสอนเพื่อจะพูดเพื่อเพื่อจะเป็นเพื่อนกันในการปฏิบัตินะเราก็อุ่นใจใหเหมือนสี่สิบห้าสี่ปีก่อนสี่สิบห้าสี่ปีก่อนสำนักแบบนี้ไม่มีหรอก มีแต่ขนขว้ไปเองไปขออยู่และวยิงข่าวก็ไปขออยู่ศรัทธาใครก็ไปขออยู่้านบวชก็ไม่ใช่บวชเพื่อมาบวชที่นี่ศรัทธาที่นี่มื่อบวชที่นี่ไม่มีสมัยก่อนต้องคนไวเยเองเอมาที่นี่ก็มาหาจาันตุ้ม ว่าจะมาวอดจันดุกคนรับผิดชอบเลยมีบาทมีใจจีวนให้พ่อมมีอุปชาพอ่อไม่ที่อยู่พอ่อแต่ก่อนนั้นไม่มีหรอกอะนะแม่หลงพ่อไปบวอดเนี่ยไปขอผ้าเก่าๆหลงพ่อองค์หนึ่งที่อยู่ว่านเดียวกันไปบวอดเอาไปให้หลวงพ่อเทียนดูหลวงพ่อเทียนมาดูอ้ยผ้ามันขาดเนี่ย อันวัวก็ได้ดอกผ้ามันขาดเอาไม้เอาไม้อพวเดียนก็ออกมาเอาเอาวันนี้อันนี้มาเอามันขาดแล้วโอ้ยดีใจประทับใจเท่าทุกวนันนี้นะจังว่าเราโช่ดีเลยเลพบกับหลงพอเทียนเวลาท่านพูดถูกเราทั้งหมดเลยแล้วก็สนุกแก้ไขตัวเองนะเอนไมใช่เบือ่อได้ ตูกลองทั้งหมดเลยแต่ว่ายันก็คุยหาเงินน้อยเงินฝนหาญาติหาเงินนั้นแสนหาง่ายหรืว่าความสุขหรือได้เงินเหรอความสุขพรมีผู้หญิงผู้สาวมานอนด้วยขึ้นลหกคนมีความสุขหรอมีไหมใครมีผู้หญิงสาวมานอนด้วยขึ้นละหกคน่ะ มีคนนั้นน่าสุอตาในบ้านในเรือนเปนผู้ใหญ่บ้านกันนั่นมาแล้วหลายชั่วม้ชั่วไอันนั้นเลยความสุขมันไม่ใช่ความสุขมันคือตัวนี้ตัวมีสติเนี่ยตัวรู้สึกตัวเห็นเนี่ยความสุขมาเข้ามาถึงตัวนี้อาจจะเป็นไล่หลวงพ่อเทียนเป็นพ่อข้าใหญ่ วิ่งเดือแม่น้ำคงโรงพยาบาลปากเซฮะเมืองเราถ้าไปเมืองเราเนี่ยหลวงพเทียนว่ามึงแจงปลาให้กูจินมึงแจงไก่ให้กูจินคนเราจะนายๆๆยกินดีนี่รอๆน่อยตามแจงปลาแจงไก่กินก็าข้าใหญ่ กินกาแฟแ่เดียวก็ได้เงินหมืน่นล้านเมื่อท่านมาบวชเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าคุณเต็มคุณจือ้อที่เป็นหลงหีบไฟมังเลยสองบริษัทเนี่ยเป็นลูกค้าหลวงพ่อเตียนพยอเทียนคนสงายเป็นพ่อข้าคนกลางพอได้ข่าวว่าหลวงพ่อเตียนมามาบวชอ่ะเขามาหาเลยทำไมมาบวชอ่ะ เจ้าเท่าไหรเงินอ่ะไม่มีใครซื้อผ้าให้เรามาซื้อไปซื้อไปเอาเงินเท่าไหรเจ้าเท่าไหรไปซื้อผ้าให้ด้วยไม่ใช่ไม่มีเงินเพราะจึงมาบวชมีอยู่เงินมาบวชลูกชายหลวงพ่อเถียนก็มีโรงงานหีบผ้าที่ปากชมไม่ใช่ความจนความเหลืต่างๆเพราะเนี่ยมาสัมผัสกับธรรมะท่านก็เป็นโยมไปไปบวชธรรมเนร เหมือนกับเรานลยแหละสอนไปหลายแบบอาจารย์ที่สอนห้งพ่อเถียนไปหลายแบบท่านก็ปรับปรุงเอาอะไรที่มันไม่ดีก็มาทำดูทำดูอันนี้มันถูกมันผิดยังไงมาทำหออที่เราจ้างจังหวะรูปแบบก็สิบี่จังหวะในบางกรณีอาจจะไม่ใช่จังหวะถึงสิบสี่ก็ได้ ถ้าม่วงนอนก็ตกขาเพิ่มเก็ได้ถ้เดินชอบมันม่วงนองก็เดินไปไปถ้เดินไปมันลูกมันเพ่งเดงงกันไปก็หยอ่ยอนหย่อนทําสบายไม่ใช่รูปแบบสําเร็จรูปตายตัวปรับปรุงเราก็เหมือนกันงั้นอยู่กับเราการสอนนะ่ะ ไ, ไม่ใช่อยู่คนอื่นที่ขี้เราอย่างเดียว เ้าก็สอนเราด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้พูดแบบเนี่ยพูดแบบเคยผ่านมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ผิดมันอาจจะไม่แตกกันตากแตกแตกต่ตาง ก, กันเท่าไหร่การปฏิบัติเหมือนๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยหัวใจเดียวกันหักกันเดียวกัน เมื่อมันหลงท่านก็แก้วอาเองให้รู้จักตัวคําสอนที่เป็นสัจธรรมนะสอนให้เราพึ่งตัวเราสอนให้เราแย่ตัวเราอันนี้มันสัจธรรมแท้ถ้าสอนให้ไปพึ่งคนเดินให้คนเดินมาช่วยไม่ใช่สัจธรรมเลยไม่ใช่สัจธรรมเด็ดขาดท่านการสอนแบบกรรมฐานแห่งไม่มีการสอนให้ทํา โดยคําพูดเป็นการบอกกันเป็นการขี้กันเฉยแต่การกระทำเป็นของเราเองท่านรู้มากท่านก็มีความรู้ท่านหลงมากท่านก็มีความหลงอย่าไปโทษผู้ว า, าจาย์ไม่ได้จะไปโทษสถานที่ก็ไม่ได้จะไปโทษการเวลาไม่ได้เอาไปเอามาก็มีแต่นตนเท่านั้นเองแก่ไขตนด้วยตนเองเตือนตนด้วยตนเอง มีสติด้วยตนเองเอาแล้วบันเป็นเรื่องของเราโดยแท้แล้วบันพอใจมั่นใจนั่นใจจริงๆตรงเนี้เราหลงล้วก็หลงตัวเองแล้วเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เราก็เปลี่ยนเราเองไม่มีใครช่วยเราได้มั่นใจแล้วบันแต่ก่อนไม่เคยอายความผิดตัวเองอายแต่คําพูดอายแต่จียา ทางกายพอมาเห็นตัวนีงก่มาเห็นความคิดก็อายแล้วป่ะอายตัวเองเนี่ยจะไม่จะใช่ไม่ได้อย่างไงการปฏิบัติไม่เห็นตัวเองชัดแม้กระทั้งความคิดแต่ก่อนเนี่ยไม่อายใครหลยคิดบ้าๆบอๆไปได้หมดเดี๋ยวนี้ไม่ได้พอมีสติไม่ได้เลย <laughs> ลู อ๋อแก้แล้วตั้งแต่มันหลงแนะ่ะเอาวิธีก็แก้ความหลงก็ไม่ยากนะเราก็ทำอยู่แล้วมีสวามรู้สึกตัวมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยความหลงความรู้มันอยู่ด้วยกันนะไม่ต้องตะโกนไปไหนไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวนลองมุมกันเลยหน้ามือหลังมือไปเลยนี่คือตัวของเก่ง เราจรึงไม่กลัวใครผู้ฟังก็ไม่ต้องกลัวใครฮะข้อบกคร่องหาจุดตอนที่มาตำหนิตีเทียนเอาลงไปถ้าตำานิก็ตำหนิตัวเราได้ถ้าอะไรผิดก็จะไปทำหนิใครให้ตำหนิตัวเราอะไรถูกก็อย่าไปยกย่องใครยกย่องตัวเราถ้ายกมือไหวตัวเราได้ยกมือไหวคนอื่นได้ มีการเคารพตัวเองก็มีการเคารพคนอื่นมีการเมตตาตัองก็เมตตาคนอื่นชีวิตเัามีค่าอย่าให้ทุกข์ถ้าทุกข์ไม่มีค่าเลยน่าเห็นตัวนี้เห็นความทุกข์ที่มันเกิดกับชีวิตเราไม่มีค่าเลยเลยพราะนั่นในการมีสติตนี่โอ้ยน้อยเดียวก็ไม่เอาก็มาทุกข์นะแล้วก็แย่ที่ตัวเราเข้าไป เหมือนลวงพ่ออ่านประวัติพระเจีหยอาจารย์ภาคิสานดังๆพระกรรมฐานดังๆทุกวันนี้ประวัติของท่านเล่าที่หนีมาบวชเนี่ยเพราะขี่ควยไปไถนาตากฝนไปทางไปไถนาน่ะมันผ่านวัดไปเห็นพระเห็นเนนอนเล่นอยู่ ไม่ต้องได้ไปแถนาอะไรก็คิดอยากจะบวชตรงนี้ไปบวชเห็นมาเห็นแนวสบายโอ้ยนั้นมันก็ดีแต่ว่าดีเขาก็เป็นพระผู้ใหญ่เท่าุกวันนี้แต่เราไม่มาได้รูปแบบมาคนรูปแบบนะแต่ไม่เจออันเดียวกันก็ไม่กวนเราใครจะมาจากนั้นก็ได้นะกันพรมาจากกรุงเทพว่ามาจากเชียงใหม่เชียงรายใครมา ค น, คนนกก็ามามาจากญี่ปุ่นอาจารย์โยชิก็มาจากญี่ปุ่นซามรีก็มาจากไต้หวันมาอยู่ด้วยกันโม ก, กันเดียวกันมีคนมีประโยชน์ทางนั้นที่อยู่ที่นี่ผมเป็นนี่บุญคุณพวกเรามากทีเดียว ไม่มีอะไรที่ตอบแทนมุนคุณก็พูดความจริงสู่กันฟังให้พวกเราได้ศึกษาเอาเองให้เรียนด้เ อ, เองให้เห็นตอาเองแก้เอาเองอันนี้คือของจริงะมีปุญมีคุณทุกคนพระสงฆ์องค์เจ้าทุกลูกที่อยู่ที่นี่ผมก็รบทุกท่านเลยผมไม่มีอะไร ที่จะวิเศษวิศสอะไรใหม้มีโอกาสพูดแบบนี้สู่พวกเราฟังที่พอเรามาอยู่ที่นี่มาใจ ช, ชีวิตร่วมกันนี่เป็นบุญเป็นคุณที่นี่มากแล้วนะพอใจไม่ลังเกียดใครเราเป็นเมนกับทุกคนนกก็่าจีนี่หลายปีแล้วนกก็ทำทุกอย่างยกพืนจาราหน้าขึ้น อ้กระเบื้องทำมลโ ก, กงรอบจราหน้าหมดเงินเป็นสองสามแสนมาสร้างกติกอยู่มีประโยชน์ทนั้นแม้ใครไม่มีอะไรที่เป็นอะไรก็มีประโยชน์ว่าแต่ให้มีสติแยกความหลงลกับความรู้มีสติอันนี้แหละประโยชน์มหาศ า, ารแล้วอย่าไปมุ่งึงการก่อสร้างอะไรมากมายกายกอง ไม่ได้ทำมันน่นไม่ได้มันนี้เคยคิดเหมือนกันสมัยไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เทียนนะ่ยหลวงปู่เทียนท่านจะพูดอยู่เสมอว่าเคยสร้างโบสคนเดียวบ้านผระแหวนแล้วก็ไปดูว่าโบส ท, ที่หลวงปู่เทียนสร้างคนเดียวมันขนาดไหนบ้านพระแหวนเราไปดูก็โบสหลังใหญ่เหมือนกันเคยทํำมือกถินทุกปี ไคยบวชพระหมดเนนทุกปีเคยทําบุญบ้านทุกปีเอ๊เราปฏิวัติธรรมนะ่ะไม่ได้ทําบุญกระถิ่นไม่ได้สร้างโบสถ์มันจึงเป็นเหตุไมให้ลูกทำมันจะเป็นพ่อหนี่หรือเปล่าอนาหลวงพ่อเทียนท่านเลยทําความดีทําบุญทาทานบวชพระบวชเนนบวชลูกบวชหลานทําบุญกระถิ่นด้าสร้างโบสถ์ ตมบลวัานทุกปีเราไม่ได้ทำเหมือนหลวงพ่อเทียน เ, นยเราจนมันก็เหตุนี่หรือเปล่าไม่เข้าใจธรรมะเกือบยี่สิบันแล้วไม่รู้อะไรก็มีผมด้อยบ้างทีแรกนะพอหลวงพ่อเทียนพูดตอนหนึ่งว่าตอนตำบลกระถินทุกปีก็บอกกันกับแม่เทียนนะะ ให้เทียนนะให้แม่เป็นคนดูแลแขกไปเทมาการใช้เงินใช้ทองจะใช่อะไรซื้ออะไรตัดใหญองไม่ต้องถามพ่อพ่อเทียนจะอยู่เฉยๆนุ่งขาถือเขาถือสิบแปดจะนั่งอยู่ตอนรับแขกส่วนบริหารรับแขกรับรายค่าใช้จ่ายให้เป็นเรื่องแม่เทียนทั้งหมดเลยตกลงกันแล้ว ก็ทำหน้าที่ให้แม่เทียนเป็นคนใช้จ่ายอาหารการจินซื้อผ้าซื้อพรอะไรต่างๆตัดเองตอนรับแจกเป็นหลวงพ่อเทียนเป็นพ่อเทียนนุ่งเขาถือเขานั่งอยู่บ้านพอดีงานกระถินเสร็จตำบลอะไรเรียงพระเรียงเจ้าทอดเช็จแล้ว ไม่เทียนก็จ้างหมอลำง่าถามพ่อเทียนว่าพ่อเทียนจะให้เขาเท่าไหร่ค่าหมอลำพ่อเทียนบอกว่าตึ๊บไปทีเดียวโกดหน้าเทียดไปเลยเสียก็โกรธแม่เทียนเห็นว่าถ้าไปดีก็เลยไม่ถามเลยไปจ่ายเงินให้หมอลำเลยแล้วก็พอคนหนีหมดทุกคน แขกหนีบทงานอะไรเจ็บของคนใช่คนช่วยงานเรียบร้อยหมดแล้วเรียกแม่เทียนมาแม่เทียนมานี่แม่เทียนมาแม่อะไรพ่อเทียนเช่าค่อยบอกแล้วว่าจะมาถามอาชเช่เงินจะต่อยมือนั่นเจ้าเจ้าไหมมาถาม่อยค่อยรถศูนห์เลยเอ้าพ่อเทียนเลยค่อยถามเจ้าทอนี้ก็จดเจ้าก็เครียดท่านหมอ โอ้ยเจ้าชังกระถินนี่ได้ตกแล้วงลกเลยน้อนีอ่ทนที่เจ้าดาก้กระถินได้บุญเื่อนเจ้าเครียดติด่อยถามเท่า น, นี่พ่อเทียนพ่อเทียนพว่โอ้ยแมนควบเจ้าแล้วไปเทียนเดย้อยคอยผิดคอยผิดเราบ้ป้าโถทำบุญกระถินมาเมื่อหนึ่งสองเมื่อยั่งทุกยังโกรธอยู่เนี่ยวันที่เป็นอะไรน อ, อบุญเถเคยมีบ่ถ้าบุญ ทุกข์เหมือนหลงพ่อเทียนบ้านแมน่ไหนเนอะบุญเนี่ยนี่แหละทำให้หลวงพ่อเทียนะหาบุญแล้วก็เลวงพ่อย่างร อ, อจับมือกันเนี่ยไม่ต้องหวังว่าจะได้ทําบุญกระถินเนอะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยทีเดียวมาปฏิบัติทําเนี่ยอย่างพอนะสร้างกระถินสร้างโพดสร้างวิหารมันยังโกดอยู่เหมืนอนหลวงพ่อเนี่ยสร้างบ้านหลังสวยงามนรือ พอสร้างเสร็จเราไฟจุดปั๊บหมดไปแล้วไม่หมดแล้วเหมือนคนทำบุญเนี่ยทำบุญมากไงกากองแต่ว่ายังโกยอยู่เพราะเรไฟเผาบุญหมดไปแล้วทุกบุญคืออะไรบุญคือใจดีบาปคืออะไรบาปคือทุกเอาพอเทียนทุกให้เทียนถามท่านทุกแล้วโอ้ยบมลุยจังเลยมาเข้ามาหาจิตใจกัจริงจัง เล่นงานจิดใจเลยนะถ้าอยู่ที่ไหนเป็นทุกข์แล้วลนะ่ะไม่ได้แล้วหรอไม่ไม่มขาเลยให้รักตัวเองมากอย่างเรื่องทุกข์ง่ายมีแม้แต่น้อยเลยเป็นเรื่องที่แก้โดยด่วนไม่ได้แ่อยากมีความรู้สึกตัวเหมือนอเราทําเนี่ยมันแก้ของมันเองรู้สึกตัวรู้สึกตัวเอง น, นี่ย เพระนั่นอย่าไปสงสัยทั้งเกินเลยมาทางนี้มาทางนี้มาเจริญสติมารู้สึกตัวมารู้สึกกายมารู้สึกใจนะยินเหรอฮะสามเณรสามเณรลีไม่คิดเหรออ้าวบอก็จบลงเท่านี้อาจารย์จิ ก, กิว่าไว้พระ